ก็อย่างตอนนี้ของเรากลางวันที่อื่นเขากลางคืนอยู่ถึงสว่างขนาดนี้ก็ไม่ยังไม่ส่องสว่างทั้งหมดเบอกว่าดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันดวงจันทร์ส่องสว่างในกลางคืนพระพุทธเจ้าผู้มีผู้มีจักสุเนี่ยสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยนะศาสตร์ส่สองเห็นหมดด้วยอนุภาพของปัญญาแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็มีปัญญาที่ยังมีขอบเขต จ, จำกัด ถ้าระยะทั้งหลายถึงท่านมีปัญญาก็ยังมีขอบเขตจำกัดไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าอะไรนั้นอวิชชาท่านละได้เด็ดขาดแต่ไม่ใช่ว่าท่านรู้เท่าพระพุทธเจ้าเพราะความรู้ก็มีหลายระดับะนะความสะความรู้มีหลายระดับข่านด้วยกันทีนี้โลกุตระมักเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเป็นประโยคะที่ที่สูงมากเป็นกายะประโยคะวัจีประโยคะและมนโนประโยคะในหน้า หน้าเกนะ้านเอกสารหน้าเก้าข้อหกสิบห้าที่บอกว่าการละเนี่ยนะการละเขกว่าก็เมื่อรู้แจ้งปะหานะก็ควรรู้ทำที่ควรละด้วยปะหานะนั้ น, น, นไอปะหานะทั้งสองเนี่ยท่านบอกว่าโลกุต ร, ประปหานะพร้อมกับประโยคะไม่พูดถึงโลกิยะปะหานะนะและนิสรณะปะหานะโลกิยะปะหานะเนี่ยเป็นชื่อของของอะไรโลกิยะปะหานะ ปกตินะปะหานะมีอยู่ห้าหนึ่งตะทางข้าปะหานสองวิขำพนาปะหานสามสมุเฉทข้ปะหานสี่ปฏิปสัสสติปะหานหา้านิสรณะปะหานไม่พูดถึงตะทางข้าปะหานไม่พูดถึงวิขำพนาปะหานไม่พูดถึงนิสรณะปะหานคือพระนิพพานเอาเฉพาะสมุเฉทข้ปะหานกับปฏิปสัสสติปะหานคือเอาเฉพาะมรรคกับผลเนี่ยนะเอาเฉพาะมรรคกับผล เพราะมัคเนี่ยเป็นประโยคะประโยคะเนี่ยปะเนี่ยแปล ว, ว่าทั่วโยคะแปล ว, ว่าการประกอบการเจริญการกระทําอย่างรอบครอบครบถ้วนบริบูรณ์ทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงมัคเนี่ยนะอนุภาพแห่งมัคเนี่ยมัคเนี่ยคืออะไรคือศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยประชุมกันเรียกว่ามัคความประชุมพร้อมแห่งศีลสมาธิปัญญาร่วมกันได้เมื่อใดแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อใดเมื่อนั้นแหละเรียกว่าเรียกว่ามัค มรรคเหล่านี้เนี่ยนะคุณภาพว่าโซดาปฏิมร์เนี่ยศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณสกะทาคามีมร์ ก, ก็ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณถ้าอนาคามีมร์ศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูมรณ์ปัญญาพอประมาณถ้าอาราหัรรมมร์สิกขาสามบริบูบรณ์ศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์เพราะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเนี่ยเป็นเรื่องของประโยคะ เป็นเรื่องของความภาคเพียรพยายามอย่างแท้จริงสมถะวิปัสสนาก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความภาคเพียรและพยายามความอุตสาหะอย่างแรงกล้าไอความพยายามอย่างแรงกล้าอันนี้แหละเรียกว่าสมุเทเฉทะเพราะเพราะอะไรเพราะปะหานะเป็นเป็นการละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดกิเลสนี้แปลว่าอะไรนะีความเศร้าหมองไงกำจัดความเศร้าหมองได้อย่างเด็ดขาดด้วยอํานาจของอริยมรรค เช่นโสดาปฏิมักกำจัดความเศร้าหมองเพราะทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดอรหัตมักกำจัดความเศร้าหมองเพราะปัญหามานะได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะทีนี้ถ้ามักเกิดขึ้นนะนะผลของมักเรียกว่าผลของมักผลของมักก็เรียกว่าสามัญญผลนะนะสารมัญยผลมีอยู่สี่นะมักสี่ผลสี่ใช่ไหมโสดาปฏิมักถ้าให้ผลก็เป็นโสดาปฏิผลสกะทาคามีมักถ้าให้ผลก็เป็น สก่าคามีผลอนณาคามีมรุษถ้าให้ผลก็เป็นอนาคามีผลอรหัตตมรุษถ้าให้ผลก็เป็นอรหัตตผลโซดาปฏิมรุษเกิดขึ้นเนี่ยเป็นประโยชคะเป็นความภาคเพียรพยายามอย่างแรงกล้าโซดาปฏิผลเนี่ยเป็นการระงับปฏิปัสสัตที่นี่แปลว่าระงับระงับความเพียรอันนั้นเพราะเป็นมรุษนี่เป็นกุศลโลกุตระผลเป็นวิบากเนี่ย น, นะเป็น ขณะที่อริยผลเกิดขึ้นนี่เป็นความสงบประงับปฏิปัสสติท่านบอกว่าเพราะกิเลสสงบชื่อว่าปหานะเพราะละกิเลสการละานะการละอันเป็นความสงบหมายถึงว่าสงบจากอริยามรรคเนี่ยมันเป็นเป็นเหตุใช่ไหมโลกุตระมันเป็นเป็นผลพันธขณะที่ผลนี่จึงเป็นการระงับบางทีเนี่ยเขาบอกว่าสมุดเฉทะนี่เป็นขยะยานขยะยานยานที่ถึงความ สิ้นไปอริยผลนี่เป็นอนุปปาทยานยานที่ไม่ไม่ไม่ต้องเกิดไม่เกิดขึ้นในยานในความไม่เกิดขึ้นในหน้าสิบที่บอกว่าชื่อว่าปฏิปัสสธิปะหานะปฏิปัสสธิปะหานะก็คือการละอันเป็นความสงบนั่นแหละชื่อว่าปฏิปัสสธิปหานะที่ชื่อว่าโลกุตระเนี่ยนะมรรคผลนี่เป็นโลกุตระเพราะข้ามจากโลกมรรคผลเหล่านี้เป็นขยะขามีใช่ไหม ขยะแปลว่าสิ้นไปคามีก็คือเพราะให้ถึงความสิ้นไปท่านมรรคผลเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เข้าถึงธรรมที่สิ้นไปธรรมที่สิ้นไปเนี่ยเป็นชื่อของนิพพานอะนะขยังวิราคังอมตังปณีตังอะนะขยังก็คือขยะตัวนั้นอ่ะขยังวิราคังอมตังปณีตังยัตฉะคาสกยมุนีสมาหิโตะที่ที่เคยฟังสวดมนต์ไหมในรัตนาสูตรอ่ะนะขยังอ่ะขยัง ถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสวิราคังความคลายกำหนัดจากกิเลสทั้งหมดวิราคังความคลายกำหนัดอมตะตังความไม่ตายปณีตังเป็นธรรมที่สงบประนีตคำเหล่านี้เป็นชื่อของพระนิพานอริยมรรคที่เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปคือเป็นเหตุให้ถึงพระนิพานชื่อว่าขยะขามีขยะขามีด้วยเป็นมรรคด้วยชื่อว่าขยะขามีมรรคคือมรรคที่ทาใหถึง พรนนิภพานที่สงบประงับอธิบายว่ามัคของผู้เจริญขยะคามีมัคชื่อว่าสมุทเฉทาปะหานะโลกุตระผลในขณะแห่งผลชื่อว่าปฏิปัสสัที่ปะหานะอันนี้อธิบายคำว่ามัค ก, กับคำว่าผลทวนอีกครั้งหนึ่งนะที่บอกว่าโซดาปฏิมัคเนี่ยนะละอะไรได้บ้างเมื่อกี้นี่พูดถึงละกิเลสแล้วถ้าละละวะตะละอะไรบ้างละสังสารวัตนะ อนุภาพของโสดาปฏิมาคเนี่ยละไม่ต้องปฏิสนที่ในอบายไม่ต้องปฏิสนที่อบายนี่มีสีใช่ไหมอบายแปลว่าไม่เจริญนะตายะนี่แปลว่าเจริญตายะอปายะก็แปลว่าเสื่อมเนี่ยนะนะตรงกันข้ามกับความเจริญในปฏิเสธความเจริญเช่นมีอยู่สอย่างนะนรกเปรตอสุรกายและเดรฉ า, านอนุภาพของโสดาปฏิมาคเนี่ยตัดการปฏิสนที่ในนรกในเปรตในอสุรกายใน เดรัชานได้อย่างเด็ดขาดเลยไม่ต้องปฏิสนธิในน้ำอีกแล้วแต่อาจจะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าธรรมดาไปเที่ยวไหนเที่ยวบายภูมินี่ไปที่ไหนดีอ้าวเคยเข้าสวนสัตว์ไหมล่ะอ้าวอาบภูมิสวนสัตว์ใชสวนสัตว์เนี่ยบายภูมินะไปเที่ยวอาบายภูมิไหมยังไงนะถ้าติดป้ายดูเที่ยวสวนสัตว์ก็ไปเที่ยวบายภูมิปฏิไม่ปฏิสนธิในมนุษย์ในภพที่แปดเป็นต้นนั่นนะไม่ต้องเกิดเป็นมนุษย์ มันก็เกิดอีกแค่อยู่ในคันอีกเจ็ดครั้งเนาะอยู่ในคันอีกแค่เจ็ดครั้งเองเว้ยเจ็ดครั้งนี่น้อยมากนะถ้าเทียบกับปุตชชนเนี่ยปุตุชนเนี่ยจากคันสู่คันจากคันสู่คันรอบแล้วรอบเล่าอยู่นั่นแหละไม่มาแล้วนะวันนี้ต้องขยะยขามีมรักษนะจะต้องอรยิยมรรคเกิดขึ้นนั่นแหละจึงจะไม่มาถ้าหากว่าอารยิยมรรคไม่เกิดขึ้นนี่ก็ยังยังอะไรนาะ อยู่ที่ความเพียรวิริเยนะทุกขมัตเจติศาสทั้งหลายจะพ้นจากทุกจะร่วงจากความทุกขได้ก็ด้วยอนุภาพของความเพียรถ้าเพียรจริงก็พ้นทุกนะถ้ายังเพียรไม่พอก็อยังไม่พ้นทุกถ้าสกะทาคามีมัจล่ะสกะทาคามีมัจนะมาสู่มาเกิดในโลกนี้แค่อีกครั้งเดียวถ้าอนาคามีมัจไม่ต้องมาปฏิสนธิเลยอาจจะลงมาฟังธรรมาสนทนาธรรมาอะไรกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปได้ แต่ว่าไม่ต้องมาเกิดเนี่ยนะพระอรหันต์ก็ไม่ต้องเกิดในภพใดๆเลย ก, ก็ก็พูดถึงอย่างไงนึกถึงความทุกข์ของปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะเวลาที่เราก้มหน้ามองเห็นแผ่นดินเนี่ยนะนึกไกว้เสมอเถ่ะว่าทุกข์ของเรายังอยู่เท่าแผ่นดินทุกข์ของเรายังอยู่เท่าแผ่นดินทุกข์ของพระโสดาบันเหลือเท่ากรวดเจ็ดเม็ดก้อนหินเจ็ดเม็ดใช่ไหมถ้าก็ทรายเจ็ดเม็ดเท่านั้นแหละ อันนั้นหน้านี้เขาชอบไปเที่ยวทะเลกันแล้วเที่ยวทะเลก็มองเห็นน้ำํำเราบอกว่าเราต้องหลังน้ําตาในสังสารวัตรนี่เท่ากับน้ําทะเลน้ําตาของพระไซพระโสดาบันอย่างมากก็เหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยดะแต่ของเราทั้งหลายผู้ยังท่องเที่ยวในวัดตาเนี่นะยังต้องร้องให้น้ําตาไหลเท่ากับน้ําทะเลแต่ที่ผ่านมาก็เท่าน้ําทะเลแล้วนะอที่ผ่านมามากกว่าน้ําทะเลถ้าไม่เป็นพระโสดาบัน มากกว่าน้ำทะเลก็ได้เพราะจะต้องคิดดูในชาตินี้นะใครเก็บน้ำตาไว้เท่าไหร่ดิน้ำตาแห่งความเศร้านี่ใครมีกี่หยดลนะ <c oughs> น้ำตาแห่งความเสียใจเนี่ยนะเสียใจก็น้ำตาเปิ่มเลยนะเสียใจก็น้ำตาเ อ, อ่อท่วมเบ้าตาไปหมดอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ก็คิดดูนะชาตินี้ชาติหนึ่งและชาติอื่นๆอีกนะเลหลายสิบชาติอย่างเงี้ยนะลยหลา ย, ล, ายล้านชาตินี่น้ำตาเราจะขนาดไหนเนาะดันั้น ถ้ายัางไม่เป็นพระโสดาบันถ้ายัางไม่ละสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตาปรามาได้ก็ยังต้องร้องให้อีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติที่ว่าในโลกนี้ใครมั่งไม่ทําให้เราหลังน้ําตาได้มีไหมฮนะคือจริงอยู่ว่าในชาตินี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมก็เลยไม่ต้องไปหลังน้ําตาอะไรแต่ถ้าต้องเกี่ยวข้องกันในฐานนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเป็นเพื่อนที่สนิทเป็น อะไรเป็นครอบครัวสามีภริยาเป็นลูกเป็นหลานถ้าเกี่ยวข้องอะไรกันขนาดนั้นถามว่าจะต้องเสียใจไหมก็ <S <S 1> <S 1> ควรกลับไปหาน้ำตายจนได้นั่นแหละผลการแทงตลอดอริยะคุณเช่นโสดาปฏิมักที่เกิดขึ้นละสกายะทิ่ีวิจิกิจชาสีละพตาปรามาสละกิเลสที่เป็นเหตุให้ไปล่วงทุจริตตำละกิเลสที่เป็นเหตุให้อ่ไปเกิดในอบายเป็นต้นเนี่ย จึงมีอุปการะคุณมากพระพระองค์จึงสอนให้ละสิ่งที่ควรละแต่เครื่องมือในการละจริงๆคืออริยมรรคนะก็เหมือนกับว่าถ้าเราจะตัดต้นกล้วยใช้อะไรตัดเช่นใช้มีดตัดอย่างเงี้ยนะสมมติถ้าตัดนะพูดถึงก็บอกว่าต้นไม้ชนิดนี้หน้าตัดแต่ว่าไอ้เครื่องมือในการตัดละ่ะอริยมรรคเป็นเหมือนเครื่องมือที่เป็นตัวไปตัดกิเลส ก, ก็คือถูกถูกตัดแต่ มักต้องมีกิเลสเป็นอารมณ์หรือจึงกระตัดกิเลสได้ตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ไหมไม่มักทั้งหลายเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงกะตัดกิเลสได้เด็ดขาดเหมือนกับว่าโอ้ยฉันจะละสมมุติว่าฉันจะละฝั่งนี้ถ้ายังยืนอยู่ในฝั่งนี้เรียกว่าละฝั่งนี้ไหมไม่จะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วจึงจะเรียกว่าละฝั่งนี้ฉันใดก็ดีถ้าเรายังยืนอยู่บนวัตถุ ข, ของกิเลสคืออุปาทานขันห้าเราก็ยังละกิเลสไม่ได้ ต่อเมื่อถึงฝั่งคือมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะเป็นตารละกิเลสได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเรายังยืนอยู่ที่ใดอยากคิดนะ้ว่าเราละตรงนั้นแล้ว่ถ้ายังมีขันห้าเป็นอารมณ์ก็แสดงว่ายังไม่ได้ละกิเลสที่เป็นเหตุให้มีขันห้าต่อเมื่อแทงตลอดพระนิพพานแล้วนั่นแหละจึงกระสธรรมเป็นที่ละกิเลสได้นนะบางคนก็บอกว่าอะไรนะอยู่ในดินแดนของกิเลสบอกโอ้ oh, ฉันละกิเลสแล้ว ไม่เคยออกจากดินแดงของกิเลสเลยก็ยังละไม่ได้หรอกเนี่ยนะคิดว่าละอนะแต่จริงๆแล้วยังยังไม่ได้ละนั้นพวกสมุทเฉธาเป็นชื่อของโลกุตระมักสี่ปฏิปัสสัที่ปหานะเป็นชื่อของโลกุตระผลโลกุตระผลก็คือมีแก่บุคคลผู้เจริญมักเครื่องให้ถึงความสิน้นไปเนี่ยนะคือมักที่เป็นเครื่องให้ถึงความสิ้นไปตัวที่สิ้นไปจริงๆเนี่ยนะตัวที่ทําให้กิเลสสิ้น ตัวที่ทําให้วัตฏะสิ้นตัวที่สงบระงับดับวะะัฏฏะตัวที่สงบระงับดับกิเลสจริงๆอะคืออะไรตัวไหนครั้งนะี่คือพระนิพพานใช่ไหมยอย่างเมื่อเช้าที่ที่ยกข้อความในนิพพานสูตรนิพพานสูตรจริงๆในเนติปกรณนี่ยกข้อความมาจากคำภีอุทานานะนิพพานสูตรว่าถ้าหากว่าถ้านิพพาน คือธรรมชาติทีอ่อัชาตังอักตังอัออชชาตังอัภูตังอักตังอัสังขตังเนี่ยนะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ซไซการดับสังขารธรรมดับวัฏะในภูมิสามไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ดับไม่ได้หรอกแต่เนื่องจากมีพระนิพพานพระนิพพานนี่มีอยู่การดับวัฏะในภูมิสามจึงมีได้เนีย่ยนะพระอริยมรรคที่ดับวัฏะได้ก็เพราะ แทงตลอดพระนิพพานที่ที่ดับดนะดับสังขารธรรมดับสังฆะธรรมดับกิเลสได้ทั้งหมดก็อยู่ที่พระนิพพานมันพระนิพพานนั้นจึงมีอุปการะคุณมาก น, นะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นคุณที่สูงที่สุดสวากขาโตภควาตาธรมโมสันทิทิโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปะเนยโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโูห์เนี่ยหกคานี้เป็นชื่อของนิพพานหมดเลย นิพานก็เป็นสวาคขาโตภควาตาธรรมโอเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่เป็นความจริงแท้แต่คําว่าสวาคขาโตนี่กว้างอ่ะนะแต่ว่าหมายถึงท่านิพานด้วยสันธิธิโกผ่านิพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพ่งเห็นได้ด้วยตนเองแต่อากาลิโกนี่เป็นชื่อของอริยมรคนะว่าถ้ามร์มีนิพานเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยจะให้ผลไม่มีระหว่างขั้นมร์เนี่ยนะก็ยังมีนิพานเป็นอารมณ์ เอฮิป <E ัสซิโกนี่นะน้อมนิพานมาหาตัวหรือว่าน้อมใจไปหาพระ น, นิพานพระนิพานนโอปนยิโกแต่เป็นการน้อมใจไปเพื่อแทงกลอดน้อมใจไปเพื่อรู้พระนิพา น, พาน